ทั้งหมดมีสามสิบห้าที่คงจะมีพระจำมรรษาทั้งหมดเนี่ยคงจะขนาดได้แต่ทราบข่าวว่าจะมีพระตามมาอีกพระที่บวชงานหลวงแต่เข้าพรรษาวันสองวันมาหลวงพ่อจะรับไหมหลวงพ่อเอ็นว่า ญาติโยมที่พ่อของเขาพอเคยบวชเคยมาอยู่กับลูกพ่อพ่อเอ้อได้กว่าการที่จะบวชในพรรษาหรือว่ารับพระในพรรษาถ้าไม่ใช่พระแต่คอกนะถ้าพระแหวกแมวพระแบบกพรรษานั้นไม่ได้เอออันนั้นพระแหวกแมวในพรรษาแต่ถ้าว่าบวชในพรรษาถ้าบวชในพรรษาเนี่ย พราะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะพวกเราอย่าไปคิดว่าเอ้บวชในพรรษาได้หรือเปล่าถ้าว่าพระอย่างหลวงพ่อไม่ให้บวชในพรรษาพระวินัยปรับโทษหลวงพ่ออีกคือต้นเหตุก็คือสมัยหนึ่งสมัยก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตการบวชของพระแต่ที่มีหลานของนายวิสาขา นางวิสาขาดนําหลานชายเข้ามาบวชเข้ามาบวชพระท่านบอกว่า้ยพวกอาตมาบวชไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตและก็ไม่ยังไม่ห้ามและก็ยังไม่อนุญาตถ้าว่าพวกเราบวชเนี่ยบวชในพรรษาเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็กสูดใดก็ตามบวชพระในพรรษาปรับโทษ พวกอาตม า, า, มากญญามา็ไม่อยากจะเป็นต้นบรรยัตเพราะอาตมาไม่อยากจะเป็นต้นบรรยัตเพราะนั้นอาตมาไม่ขอบวชให้ออกพรรษาจะก่อนนายโยมนะเทนางวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาปฏิบัติพระพุทธเจา้าก็ฟังพระสงฆ์จากนั้นก็เอาหลานชายกลับมาออกพรรษาเลยหลานชายเปลี่ยนใจนีปไม่บวชไปหลานชายเปลี่ยนใจไม่บวช นางวิสาขาก็เสียความรู้สึกโอ้ถ้าเอาบวชคราวนั้นกันแล้วไปนะอันนี้พระคุณพระคุณเจ้าก็ไม่บวชให้ก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้านางวิสาขาเขาไปกราบพระพุทธเจ้าราะว่ามองจันขอพรจากพระพุทธองค์ถ้าคุณระบุผู้ใดอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาในกลางพรรษาก็ขอให้ขอพระองค์จงอนุญาตให้คุณระบุบวชได้ด้วยเทอน พระเจ้าค่าเพราะว่ายัางหลานของหมอมฉันพอไม่ได้บวชแล้วก็เปลี่ยนใจเพราะนั้นอยากจะให้พระพุทธองค์ให้คุณระบุบวชในพรรษาได้พระเจ้าข่าพระพุทธองค์เรียกประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์เสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็บัญญัติพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัยแต่ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณระบุตรอยากจะมาบวชในพรรษาก็อนุญาตให้บวชได้ ถ้าพระองค์ใดห้ามไม่ให้เขาบวชต่อประวัติผู้กดเป็นอย่างนั้นไปอีกจ้นี่อต่ว่าศึกในพันศาได้ไหมสึกในพันศาท่าก็ไม่ห้ามแต่เราก็ไม่ค่อยเหมาะเท่านั้นเองเหมือนกับพาดทะเลาะ ก, กันวิวาทกันแล้วค่อยสึกเนี่ยมันก็ดูดูภาพพดออกไปออกไปไม่ดีเหมือนกันแต่สึกในพันศาแต่ตามพระวินัยแล้วก็ไม่ห้ามเหมือนกันแต่กล่าวว่า มันจะอดไม่ได้เชีาเหรอเป็นเสียแต่ว่าผู้นั้นมีเจตนามีความจํานงหรือเจตนาว่าจะบวชเพียงเดือนเดียวหรือสิบห้าวันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าว่าบวชไม่มีกําหนดแล้วบวชจะบวชสามเดือนจะไปสึกกลางพรรษาอันนี้โอรู้สึกว่าถ้าเป็นคู่คนก็ครบไม่ได้เพราะงั้นเถิดแต่ว่าใจหละแหลกใจไม่มั่นคง เพียงสามเดือนก็ยังอดไม่ได้มันก็ชัดจะเกินไปอันนี้ก็คนโบรมโบราณพวกเราถือกันมางาั้นเพระนันธาเจ้าศึกกุราศิขากุนออกกันษากรอันนี้ก็คือการถือกันมาแต่ตามตื้จรพระวินัยไม่ผิดมาางนั้นแถิแล้วเมื่อวานหลวงพ่อไปมุกดาหารก็ไม่ได้ ไ ม, ไ, มไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาไว้ล่วงหน้าก่อนคือไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่ว่าทุกปีที่ผ่านมาก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อจะมีดอกไม้ทูบเทียนเมื่อกับมดุดน้าดาหัวรักษายอย่างนั้นน่ะไปคารวะครูบาอาจารย์สถานที่สักการะทุกปีที่ผ่านมาปีนี้หลวงพ่อไม่รู้ว่ากิจธุระอะไรลงไปปูเกศ เกี่ยวกับงานฝบของท่านชิดด้วยเกี่ยวกับสถานีวิทยุด้วยก็เลยจนๆพรรษาเมื่อวานวันก่อนเนอาจะไปตัดสินใจปุ๊บปรับเรล่ยนงานแต่ก็เลยเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปคระวะหลวงปู่นะไปวัดหลวงปู่หลวงปู่จามแล้วก็ขึ้นไปกราบพระเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็วางคันวางดอกไม้ทูบเทียนจากนั้นก็ไปเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วแต่เจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วหลวงพ่อก็ไปยืนยืนปนมมืออยู่ทางหลังเจดีย์และเลื่อนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีย์ของคุณแม่พระบรรจุพระธาตุของพระหรัสมบรรจุพระพุทธปฏิมา บนยอดพระเจดีย์ของคุณแม่จากนั้นก็ได้วางดอกไม้ทูกเทียนให้โยมเขาขึ้นไปวางดอกไม้ตรงหน้ารูปเหมือนคุณแม่จากนั้นก็ลงจากนั้นก็เดินทางต่อไปอีกไปเข้าไปวัดกลางสนามที่หลวงพ่อเคยบวชสมมเนหเคยเป็นบวชเนรพระอุปชาเนรของหลวงพ่อพอเข้าไปก็เห็นเห็นโบสถ์เห็ น, หนลาทั้งปิดอยู่พระ สงสัยจะไปที่อื่นหลวงพ่อก็เลยไม่ได้เข้าไปก็ปเลยเลยไปผู้เจ้ากอดก็เลยวางดอกไม้ทูดเทียนพุทธปฏิมาที่หลวงพ่อบวชอยู่ที่ถ้ำผู้เจ้ากอดพระพุทธรูปใหญ่หลวงพ่อนอนอยู่ข้างพระพุทธรูปนะที่กุฏิเล็กๆสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นเนน้อยอายุสิบเอ็ดิบสบสามปีนอนอยู่ใต้ถุนถ้าน่ะ หลวงปู่ล่าก็อยู่นู่นกุฏิตรงที่ท่านตรงใกล้ๆเจดีนั่นแหละหลวงพ่อก็เป็นเนร น, น้อยก็อยู่ในอยู่ในถ้ำเมื่อวานก็ได้ไปวางดอกไม้ทูบเทียนตรงหน้าพระพุทธปฏิมาจากนั้นก็ได้ขึ้นไปกราบพระเจดีของหลวงปูล่ล่าไปพระวะลูกเหมือนของท่านเนี่ยนะจากนั้นก็ได้กลับมาไปเยี่ยมกลุ่มญาติหมู่ญาติ นี่แหะที่เข้าไปกราบครูบาอาจารย์ถึงท่านจะร่วงลับดับขันไปแล้วแต่คุณงามความดีของท่านยังอยู่ในใจของเราอยู่ประคุณของท่านยังเต็มใจเราอยู่ยังเต็มในหัวใจของเราอยู่นี่แหละคือไปกราบสถานที่ถึงกราบที่นี่ได้ไหมก็ได้มันก็พอที่จะไปถึงได้อยู่กราบที่ไหนก็ได้กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงกราบที่ไหนก็ถึงทั้งหมด แต่เ น, น่คิดว่าเป็นสถานที่ที่เราอยู่เคยไปเคย ก, ากราบไหว้สักการบูชาท่านเคยปฏิบัติท่านอันนี้นก็ถึงคราวจะเข้าพรรษาถือว่าเป็นเทศกาลมุดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ที่รักเคารพนับถืออันนี้ก็ได้ไปอย่างองหลวงตาก็เหมือนกันนะถ้าท่านขึ้นมาวัด วันตรวันสองวันน่ะท่านก็ต้องไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นอันนี้ท่านไปเป็นประจำเวลาท่านไปกราบที่ใดท่านกราบเสร็จแล้วท่านประนมมือโอ้นานท่านคงจะระลึกถึงพระคุณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาให้ธรรมะจนภาคปฏิบัติจนจิตใจถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นของท่านท่านคงจะนึกอย่างนั้นกับมังเวลาท่าน ปรนมมือขึ้มานานนะก่อนที่ท่านจะกลับแล้วก็ออกมานะอันนี้ก็คือองคหลวงตาท่านก็ไปเป็นประจําที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นจังหวัดสกลนครนะอันนี้ก็หลวงพ่อได้กล่าบครูบายจานที่เคยอยู่กับท่านมานะอันนี้ก็เชิญกระลักเมื่อวานกลับมาถึงวัดก็ประมาณสักหกโมงกว่ากวาแต่ก่อนที่จะกลับมาก็ไปเยี่ยมหมู่ญาติเหมือนกันนะ หลงพ่อเมีกลุ่มญาติยังเหลืออยู่ห้าห้าคนวะพี่สาวสามอะไรผู้ชายสองน้องชายคนหนึ่งกหลวงพ่อรวมห้าไปก็พร้อมหน้าพร้อมตาเห็นพร้อมหน้าพร้อมตากันรู้สึกว่าตายไปหลายคนเหมือนกันนะพี่เขยก็ไปพี่สะพ้ายก็ไปพี่ชายก็ไปสองเนี่ยเนหลวงพ่อเนี่นะ อว่าเนี่ยคิวต่อไปจะเป็นใคร่าพวกเราเนี่ยนะคิวต่อไปจะเป็นใคร้าเตรียมไว้นะพวกเรานะแต่ถึงยังไงยังไงอย่าประมาทนะไปแน่ๆละ่ะไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังใครจะเป็นคิวคิว 3, คิว4คิวห้าเาว่ากันไปแต่ไปตามหลังกันทุกคนนั่นแหละตอนนั้นก่อนที่จะไปจุดนั้นถึงจะไปอย่างนั้น พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ควรจะสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ควรจะสะสมบุญเข้าสู่จิตใจของเราเอาไว้ถ้ามีบุญกุศลในจิตใจจะไปที่ไหนไม่ตกทุกข์ได้ยากไปด้วยความมั่นใจไปได้วยความไม่สะทกสะท้านใจดวงนี้ทางว้เราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไปได้วยความเหี่ยวแห้งไปได้วยความอับเฉา ไปด้วยความาว้าหวิอ้างว้างไปด้วยความไม่มั่นใจมันทุกข์นะแส้งพวกเราควรจะเตรียมเอาไว้หลวงพ่อเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งทานายแม่นนะหลวงพ่อทำนายอะไรถูกหมดเกือบถูกเป็นส่วนมากหลวงพ่อก็มาคิดดูอีกว่าหลวงพ่อก็เป็นมอดูเหมือนกันหนาทำนายถูกเหมือนกนัน หลวงพ่อทำนายอะไรหลวงพ่อบอกว่าคนเกิดมาในโลกตายหมดหลวงพ่อวันะไม่มีใครที่จะยกเว้นได้เหลวงพ่อทํานายถูกไหมอ่าคนเกิดมาในโลกแต่ตายหมดแต่เพียงแต่ใครจะตายช้าตายเร็วเท่านั้นแหละเพราะนั้นพวกเราเมือ่อได้รับคำทานายแล้วว่าจะตายด้วยกันแล้ว เตรียมพร้อมนะ่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้รวบรวมเอาไว้ให้รวบรวมบุญกุศลเอาไว้แต่ถึงยังไงพวกเราจะถึงจุดนั้นด้วยกันทุกคนไม่ใช่ขู่นะพูดตามความเป็นจริงไม่ใช่ขู่กันถ้าพวกเราไม่เตือนกันใครจะมาเตือนถ้าเราเตือนกันขนาดได้อย่างหาว่ามันยังรูถูก บอกว่าทําไมเอาความหายนะเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาเรื่องที่ไม่น่าจะมาพูดมากก่ามามาบอกกันยังพูดอย่างนั้นไปอีกแปลว่ายังไม่เหตุโทษว่างั้นเะพระพุทธเจ้าท่านว่าให้พิจารณาให้ น, นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนะจึงเป็นผู้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าเตือนอย่างนั้นเพราะเหี้ยไก่ก็พราะว่าพวกเราเดี๋ยวนี้ ค, นนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายก็เลยโลกอย่างที่พวกเราเห็นเรื่องราวต่างๆที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะคิดว่าตัวเองจะไม่ตายไม่ระลึกถึงความตายของตนเองเลยเพราะมันรุ่มมันหลงมันมัวมันเมาแต่ถ้าร ะ, ะลึกถึงความตายเอยสิ่งไหนจะมันดีควรจะเกื้อกูลหนุนประเทศชาติจะทํำยังไงจึงประเทศชาติ จ, จะไปได้ดี ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันปรับปรุงแก้ไขช่วยกันพยุงส่งเสริมถ้าเราอีกไม่นานเราก็เราก็จะไปแล้วอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยในหกสบสาปีแล้วจะอยู่ได้กี่ปีสิบปีได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ออันนี้สิบปีเลยจะมาพูดยาวไปอีกต่างหานี่อันนี้ก็เหมือนกันนถ้าว่าพวกเราคิดแล้วนึกถึงความตายไปอยู่เสมอ จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจากนั้นก็จะเตรียมพร้อมอะไรทีไนสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีจะฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินใครจะฝากอะไรไว้บ้างาก็สร้างสงคุณงามความดีเอาไว้ในแผ่นดินไม่ใช่ว่าเอาแต่ความชั่วช้าลามกใครลูกใครหลานเป็นประวัติศาสตร์พวกเราได้ยินมิดเอาความชั่วฝากไว้ในแผ่นดิน ควรจะเอาคุณงามความดีฝากไว้ในแผ่นดินมันจึงจะทุกอีกอย่างหนึ่งเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาอีกต่างหาพระพุทธเจ้าสอนในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพวกเราศึกษาได้พระพุทธเจ้าสอนอยังไงสอนให้คิดสอนให้ใช้ปัญญาสอนให้ไตรตรองเหตุและผลเราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นคนอย่างไร เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นลูกเราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นพลเมืองของประเทศชาติเราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเป็นเราเป็นเจ้านายเป็นผู้ปกครองเราควรจะทำตัวอย่างไรกาละเทสะบุคคลท่านสอนได้หมดทุกระดับเพราะท่านท้าวว่าพวกเราให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองให้รู้จักการวางตัวตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เป็นผู้รับผิดชอบ ใครมีอันหน้าที่อะไรให้รับติดชอบในหน้าที่อย่าล่วงล้ําอย่าทําเกินหน้าที่ของตนเองอย่าไปล้ําหน้าที่ของคนอื่นเขาอย่างนี้แหละถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่รู้จักกาลเทศะบุคคลโลกทั้งโลกก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้หลวงพ่อว่านะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันล้ําเส้นกันมันก็เลยหเหยียบตาปลากันโพนิสุก็เลย ขาดรันขาดรันฟันแทงกันเนี่ยทุกวันเนี้ยเพราะเหตุโลกทั้งโลกมาอยู่ในกรอบขาดศีลธรรมสรุปแล้วขาดที่หลีกคือความละอายแก่ใจขาดโทตปาคือความกลัวตวบะถ้าว่าคนในชาติของเราขาดสองอย่างทีห่หลีกกับโอตปะาตอนนั้นนะกฎหมายบ้านเมืองจะตั้งมาขนาดไหนก็ตั้งมาตัที่จะผักดันกฎหมายและจะทำมนุนออกมาเนี่ยหลวงพ่อว่ากฎหมายเนี่ยคือตัวนังสื เป็นคําพูดเป็นตัวหนังสือผู้ปฏิบัติคือมนุษย์คือคนในชาติถ้าว่าคนในชาติขาดที่หลีกและโอตปะสองอย่า ง, งนั่นตัวหนังสือและคําพูดไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดเพราะคนมันดือ้อมันด้านไม่มีอย่างอายไม่มีที่หลีกคือความละอายไม่มีโอตปะคือความกลัวต่อบบสองอย่างทงนั่นกฎหมายที่จะตั้งมาดีขนาดไหนละเอียดอ่อขนาดไหนก็เถอะไร้คุณค่าไร้ประโยชน์ จะปกครองให้ลมเย็นเป็น well จุกกับพวกดื้อด um> ันดันไม่ได้เด็ดขาดว่างั้นแอะแต่ถ้าว่าจิตใจของพวกเรามีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรนั่นแหะมีหลีโอตระปาสองอย่างเท่านั้นกฎหมายไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องอะไรมากใคิบตัวเขาตัวเราไปแล้วกันอย่างตัวเรานี่ ถ้าเราเขาถ้าเขามาทำให้แก่เราเราไม่พอใจอย่างนี้แต่เราไปทำให้แก่เขาแล้วเขาจะพอใจหยเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะฉนั้นเรารู้แล้วเมื่อเขามาทำให้แก่เราเราไม่พอใจเราก็ไม่ควรจะทำให้แก่เขาเพียงแค่นี้แหละเป็นศีลธรรมขึ้นมาแล้วมีจริยธรําคุ้มครองขึ้นมาแล้วมีฮิริอตตปะแล้วไม่ต้องมากแต่ถ้าว่าตัวเอง เอาลัเอาเปรียบเผาแหมขโมยของเขาพวกเขาไม่รู้พวกเขาโง่แต่พวกเขาไม่รู้เท่าทันตัวเองตัวเองเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าเขาตัวเองได้เรียนรู้กฎหมายมากกว่าเขาเขามัไม่ได้เรียนชั้นเชิงเนี่ยตัวนี้เราก็เอาเปรียบเขาตรงที่เขาโง่ๆอย่านั้นแหละที่เขาไม่รู้นั่นแหละถึงตัวเองจะทําอย่างนั้นได้ก็จริงอยู่แต่ว่าฮีริโอตปาในใจของเรานั้นขาดไปแล้ว ตัวเองไม่มีหิริกระอตตะปาทำอย่างนั้นถ้าคนมีหิริกระอตตะปาแล้วจะไม่ทําอย่างนั้น เ, เพราะว่าธรรมะในคุ้มครองทั้งทีมืดทั้งในที่แจงแต่กฎหมายบ้านเมืองคุ้มคลองแต่ในที่แจงเท่านั้นในที่มืดมันคุ้มครองไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไม่เห็นไม่มีเป็นสถีพยานแล้วทาอะไรไม่ได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจา้าเนี่ยคุ้มครองทั้งในที่แจงทั้งในที่มืดด้วย ทางในใจของตั ว, ต ว, ตวเองโดยคิดขึ้นมาถ้าคิดไม่ถูกนั่นแหละผิดธรรมแะถือถ้าคืนทำออกไปก็ขาดที่ความละอายแก่ใจอ่โอ้อัปาะคือความไม่กลัวต่อบาปละอ่ถ้าว่าทำไม่ถูกถ้าทำถูกกกลัวต่อบาปลไม่ทำเพราะนั้นธรรมะในคุ้มครองคนพวกเราทุกท่านทั้งในที่รับทั้งในที่แกง ถ้าจะเปรียบเทียบออกให้เห็นชัดชัดชั ด, ชดเจนมันก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกในความชั่วหนึ่งจะทำในที่รับกว่าตามทำในที่แ้งก็าตามมันก็คือความชั่วก็คือความผิดความดีก็เหมือนกันถ้าทำในที่แจ้งก็าตามทำในที่รับก็าตามก็คือความดีก็คือความสุขเหมือนกับเราปิดประตูดีๆใส่กอนดีๆปิดประตูหน้าต่างดีๆล้วจับไฟดูสิ ในห้องไม่มีใครรู้ใครเห็นมันร้อนไหมมันก็ร้อนเพราะเหตุอะไรเพราะมันเป็นไฟความชั่วก็เหมือนกันมันเป็นของความชั่วทึกจาทําที่ไหนก็คือความชั่วคนเห็นมากๆคนเห็นน้อยๆไม่มีใครเห็นเลยมันก็ร้อนอย่างเก่าเพราะไฟน้ำแข็ง่ะทนถ้าจับในที่เย็นๆอยู่ในห้องไม่ไม่มีใครเห็นมันเย็นไหมมันก็เย็นอีกเหมือนกันจับในที่สาธารณะก็เย็นไม่มีใครเห็นก็เย็น เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่านะกคำชั่วความชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นกคำชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งสองพันกว่าปีถ้าเราเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะอมตะแปลว่าไม่ตายอมตะอมตะวาจา เนวาจาอันไม่ตายเพราะนั้นทำคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าเรานํามาวิเคราะห์เป็นข้อความขึ้นมาแล้วไม่ใช่อื่นไกลเป็นวิถีชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นวิถีนําชีวิตของพวกเราทั้งหลายให้ไปสู่ความสุขให้หลีกลี้หนีออกจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับเราจะเดินทางเหมือนเราจะเดินทางรถของเราดีไหม ตรวจตราดูพร้อมเมื่อเราจะเดินเท้าร่มของเรานี่มีไหมรองเท้าของเรามีไหมเสื้อกันแดดกันหนาวของเรามีไหมกระเป๋าเดินทางเรามีไหมอุปกรณ์หยุกยาที่เราจะต้องจำเป็นที่ต้องใช้มีไหมถ้ามีกาะแสดงราการเดินทางของเราได้รับความสะดวกแต่ถ้าว่าเราขาดอุปกรณ์ในการเดินทาง เราก็งานลำบากอันนี้ก็เหมือนกันการเดินทางของพวกเราเนี่ยก็คือฮิริโกะโอตะปะเนี่ยคุ้มครองคุ้มครองใครเท่าให้มีพร้อมสำหรับเราที่จะเดินทางถ้าเราเดินทางมีทำในการเดินทางมีฮิริโกะโอตะปะเป็นเครื่องนำทางแล้วพวกเราจะสงบพรมเย็นเป็นจุกไปนะัสสถ า, านที่ใดทิมใ ด, ดก็ จเจริญรุ่งเรืองเพราะจิตใจของเราไม่ติดไม่ขัดไม่คล่องกับกรรมชั่วช้าลามกทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสั่งสอนพวกลูกหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะให้มีศีลธรรมนะอยู่ด้วยกันให้ให้รักกันไว้คนในชาติอย่าเบียดเบียนจึ่งกันละกันการเบียดเบียนเขาการเบียดเบียนเรา เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินห้าข้อให้อุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติผู้ที่เข้ามาวงในสินิบสินสองี่สิบเ็คือให้รักษาเข้มงวดเข้ามาอีเปลียนครวัตญาตโยมเพียงสินห้าก็เพียงพอแล้วละ่ะเพราะมีภาระมากปุระมากอย่าฆ่ากันเน้ออย่าไปฆ่าสัตว์ถ้าเรารักถ่าเรารักชีวิตอยู่เรารักชีวิตของเราเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกัน เพราะนั้นอยา่าฆ่ากันเพราะพุทธเจ้าพูดเป็นธรรมเท่าเราเอามาวิเคราะห์เป็นขอ้ขอข้อไแล้วอยา่าขโมยของคนอื่นเนะ้อขโมยของเราเราคอยยังรักเราก็ยังไม่อยากคนอื่นขโมยแต่เราไปขโมยคนอื่นเ้าละ่ะเขาก็เสียใจลูกเต้าเราหลานสามีพัญญาของเขาละ่ะเราไปล่วงละเมิดเขาเขาก็เสียใจนะ้ถ้าเราเขามาล่วงละเมิดเราเราก็เสียใจถ้า อย่าไปโกหกเขาอย่าไปต้มตุนหลอกลวงเขาเขามาต้มตุนหลอกลวงโกองเราเราก็เสียใจยเมื่อเราไปทำเขาเขาก็เสียใจยอย่าไปกินเหล้านะเพร ก, กินเหล้าดื่มสราเข้าไปแล้วทําให้ขาดสติแต่เมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าแต่คนเป็นบ้าขึ้นถ้ามีอารมโมโหขึ้นมาสามารถที่จะทําใครได้ฆ่าใครตีใครทุบตีใครได้ทั้งหมดเพราะมันขาดสติ อันนี้ก็เหมือนกันคนกินเหล้าก็คือคนขาดสติเนี่ยเมื่อคนขาดขาดสติแล้วสามารถจะทําความชั่วได้ทุกอย่างก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพูดเอาไว้เห็นไหมทุกวันนี้คนกินเหล้าขาดสติถนนหนทางรถชนกันหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเขาลงนิดหน่อยเทเองนะเนี่ยถ้ามาลงให้เต็มหน้ากระดาษก็คงจะเต็มหน้ากระดาษทุกวันเรื่องของเหล่านี้ เพราะทั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ตราสเอาไว้ถ้ามีศีลห้าเคารพศีลห้าด้วยกันทุกคนคนในชาติก็คงจะสงบร่มเย็นเป็นจุดที่สื่อต่างๆข่ า, ต า, ขาว ต, าต่างๆก็คงจะไม่มีว่ากันแต่ว่าไม่มีดีไหมพวกเราจะให้มีอยากจะให้มีใช่ไหมพวกเราคงจะไม่คิดอยากจะให้มีอยากไม่อยากจะให้มีนั่นแหละแต่ไม่อยากจะให้มีเราจะทาอย่างไร นับจากตัวข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะไม่ทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วข้าพเจ้าเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ข้าพเจ้าจะไม่ทําคนอื่นใครจะทํำก็ชุดแท้แต่แต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ทําให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าไปนี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเราได้คิตเไว้นะและอีกอย่างหนึงวันนี้ก็จวนจะเข้าพรรษาอีกไม่กี่วันวันพรุ่งนี้เป็นวันอาสารหะ วันอาสาฬหบูชา ค, คือวันสำคัญยิ่งในถักหลักของพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อุบัติขึ้นในโลกสมบูรณ์บริบูรณ์วันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหและก็พร้อมกันพวกเราทุกท่านนะในพรรษานี้จะเอาอะไรให้ตั้งจิตธิ่ฐานร พ, พระประทานมัดหลวงพ่อนี่ชื่อว่าพระพระพุทธอุดมมงคลนะพระพุทธอุดมมงคลคือพระ พ, พุทธรูป ชื่พระพุทธอุดมมงคลพวกเราทั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานโดยในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดชว่าข้าพเจ้าจะงดสูบบุหรี่ข้าพเจ้าจะใสบาตทุกวันข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดข้าพเจ้าจะไม่โกรธแก้ไขและข้าพเจ้าจะอะไรก็ว่ากันไปนะสิ่งที่มันไม่ดีแต่จะไป อธิษฐานต่อหน้าพระประธานในสิ่งที่มันชั่วนะถ้ามันชั่วพระพุทธเจ้านี่เห็นมอโอ้เ น, นี่มันทําไมวะ่ะออท่านก็คงจะไม่คุ้มครองแต่สิ่งที่ดีแล้วพระพุทธเจ้าพระพุทธพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คุ้มครองนะในเมื่ออกพรรษาและะ้วท่นเองเราก็มาขอพรจากพระพุทธอุดมมงคลก็ได้เนี่ยข้าพเจ้าในงถสุราขอให้กิจการงานของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยดีราบรื่นเรียบร้อยอย่าให้มี อะไรทั้งหมดก็ว่ากันไปทีเพราะขอพราะเราปฏิบัติได้แล้วนี่เมื่อปฏิบัติได้แล้วต้องมาขอพอรจากพระพุทธะอุดมโมคลุลพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะประสาทประทานพรให้แก่พวกเราแต่มีแต่พวกเราที่จะขอขอขอตัวเองทําไม่ดีพระพุทธเจ้าจะให้พรได้ยังไงดังนั้นพวกเราต้อง ท, ทําดีซะก่อนความดีนั้น ในจริงจะขอพอรจากพระพุทธเจ้าอย่างในครั้งเราได้อ่านดูสิในพระไตรปิฎกมีทุกขตาหรือใครก็ตามใส่บาตรพระปฏิเจกพุทธเจ้าหรือใส่บาตรพระอรหันต์ใส่บาตสซะนได้ท่านจึงขอพอรพอใส่บาตเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านประนมมือเนี่ปราถนานขอให้ข้าพเจ้าคําว่าไม่มีจะให้ข้าพเจ้าได้ได้ยิน อย่างพระอนุรุทธะในท่านตั้งกิจอธิษฐานเมื่อใส่บาตรพระประจริจิทธเจ้าแล้วแคําว่าไม่มีในเมื่อข้าพเจ้าต้องการสิ่งใดคําว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินในเมื่อข้าพเจ้า เ, เกิดในภพผุ่มนั้นๆเออโอ้โหหลวบหวบรัดเลยเหมือนกันพระพระปิจิตธเจ้าท่านก็มองมองไปในอนาคตเอ้คำคำปรารถนาของเขาจะสําเร็จหรือเปล่านะ พเจ้ท่านมีญานรัตน์หนึ่งเมือ่อเครื่องเร็วกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์คิดอีกเหมือนกันเถอะรัตๆๆนโอ้ได้ อ, อท่านก็เออเอาขอความปรารถนาท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเอวังโฮตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จทุกตามตามที่ต้องการเทินจากนั้นพระเจ้าฯท่านก็หาะขึ้นไปอากาศหายเงียบไป ไปชันอาหารของทุกตานะนี่แหละอันนี้ก็ต้องทําบุญซะก่อนจึงขอพรไม่ใช่ว่าปลุกปรับมาไปที่ไหนไมิจะขอพรตัวเองไม่ได้ทํากินเหล้าหัวปัดหัวฟัดหัวเวียงเน่ยไปขอพรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะให้อย่างไงให้พรคนขี้เหล้าใช่ไหมเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดพูดให้ฟังเป็นแนวความคิดนะให้พวกเราเป็นแนวความคิดให้พวกเราได้คิด ต่ตรองด้วยเหตุผลนะแล้วก็สังสงคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทตั้งแต่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังการไปกราบราครวกครูบาอาจารย์อันนั้นก็คือเป็นการเทิดทูนบูชาประคุณของท่านถึงท่านจะลงรับดับขันไปแล้วแต่ประคุณของท่านอยู่เต็มอยู่ในหัวใจของเราถ้าเอาผู้ใดก็ตาม และลึกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และลึกถึงพระคุณของบิดา ม, มารดาอยู่บิดา ม, มารดาคือเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาเราเกิดมาจากไหนพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูถ้าใครก็ตามและลึกถึงพระคุณของบิดา ม, มารดาผู้นั้นมีความเจริญนึกขึ้นมาเวลาใดก็เจริญไม่ใช่นึกเฉยๆนะเรต้องปฏิบัติเคารพย้ำเกลียงท่านด้ว ย, ยคำพูดใดที่จะเป็นกระทบสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจพ่อแม่ สิ่งใดก็าตามทําให้พ่อแม่ทุกอกทุกใจเราก็ไม่ทำํำเราก็รักเคารพพ่อแม่ด้วยศีงด้วยธรรมเกื้อกูลหนุนพ่อแม่แนั่นแหละวนะพูดนั้นไปนสถานที่ใดมีแต่ความเจริญอันนี้ออกเป็นแนวแถวของพระพุทธศาสนาอันนั้นก็ให้พวกเรานึกไว้อยู่เสมอนะอย่างที่หลวงพ่อวา่าให้คิวต่อไปจะเป็นใครนะไม่ใช่หลวงพ่อผูดเล่นนะเป็นคนกินนะ เพราะนั้นเตรียมพร้อมมาอเสมอคุณงามความดีอย่าประมาทเตีย ม, มไว้ถ้าคนมีคุณงามความดีมีบุญกุศลในจิตใจแล้วไปนสถานที่ใดทิด้งใดอุ่นใจเพราะเราเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะพวกเราไปอยู่นสถานที่ดใดและเรียกว่าอยู่เสมอสิ่งนี้มันไม่ถูกนะอย่าทํำให้มีฮิลิคีความละอายแก่ใ จ, ใจอดุดรปะ ให้มีความกลัวตวบะเอาไว้ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าเราสิงทำสิ่งชั่วเข้าไปแนละ้วความชั่วตอนนั้น่ะจะตามเราไปอีกไปเกิดในภพภูมิต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยบางคนเกิดมาเออข่าเกิดมาชาตินี้ข่าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนทํำไมข่าจึงได้รับแต่ความทุกข์ยากลาบากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเดี๋ยวคนนั้นเก็บคนนี้ตายคนนั้นป่วยทําไมมันเป็นอย่างนี้ ทาไมข้าพเจ้าจึงตกทุกด้อยากไม่มีเงินทองใช้มีแต่คนคตคนโกงข้าพเจ้าแต่เราพูดแต่นในชาตินี้แต่ชาติที่แล้วเนี่ยเราไปทำกับใครเอาไว้ไม่มีใครรู้ท้าว่ามีพระอรหันตผู้มีญาทัศนะในอยู่ในถิ่นนั้นไปถามท่านท่านก็คงจะรูเอ้ยแต่แกไปทำเขามาจนพอแรงแล้ววะบัดนี้เขามาเช็คบินคืนวะท่านก็คงจะบอกได้เหนนะ เพราะนั้นเรารู้แล้วว่าการกระทำสิ่งนั้นที่มันไม่ถูกต้องเมื่อทำไปแล้วเป็นผลสืบเนื่องเราทำกรรมชั่วเป็นผลผลสืบเนื่องถ้าเราทำกรรมดีก็เป็นผลสืบเนื่องเราก็เลือกทำแต่กรรมดีกรรมชั่วพวกเราอย่าไปทำถ้าทำแล้วมันจะเผาผ่านเมื่อภายหลังอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวได้ตัดเอาไว้นีน่แหละ อากใ้พวกเราให้ทั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สั่งสมบุญกุศลนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดยืดยาวนะและก็พร้อมกันกันจ น, นจะเข้าพรรษาให้เราตรวจตราให้เตรียมพร้อมมาไวา้ว่าเราจะทำอะไรในพรรษาในสามเดือนเราจะงดอะไรให้เกิดประโยชน์สำหรับเราและผู้เกี่ยวข้องนะบางคนก็เปลี่ยนการพนันจนหัวฟัดหัวเวียง พ่อแม่พี่น้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเราเอา้าสามเดือนในข้าพเจ้าจิตยุดด้วยซ้จิบหายมันจิบหายตัวยสามเดือนข้าพ เ, เ, นะเจ้าจะไ ม, ไม่เล่นการพนันทุกอย่างงดตรวงพ่อว่าพ่องดเท่านั้นแหะเงินที่เราหาได้เนี่ยมันถึงงอกขึ้นมาทันทีเท่านั้นที่มันไม่งอกทุกวันก็เพราะว่าการพนันเล่นเรากินเราบางคนนะที่ว่านคือบางคนเพรานั้นพวกสิ่งเหล่านี้เราก็ต้อง มีคำสัตย์คำจริงกับตนเองสิ่งไหนก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับเราเออชอบเราเนะี่ชอบออไปเที่ยวไปเล่นกลางคืนไหมแต่เราก็ไม่ได้ทาอะไรแต่ชอบไปแต่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเออในสมเดือ น, น, นเราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งอยู่กับบ้านอย่าภาวนาไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้เนี่ยออล้วนแล้วแตเป็นคุณงามความดีด้วยการทางนั้นแหละเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้ครับ ลูกหลานญาติโยมทุกๆท่านนะตลอดถึงพระเนนด้วยตลอดลุงพ่อด้วยเหมือนกันนะบางสิ่งอะไรที่ควรจะมีความสัตด์ความจริงบามีองค์เนะี่ยอย่างพจะจ้าคุบารเนี่ยท่านก่อนที่อธิษฐานข้าพรเจ้าจะไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนอย่างนี้อถ้าเราทั้งปีมันสักจะเกินไปไหมเอาสักสามเดือนนี่ก็พอเลยทดลองสามเดือนดูสิว่าเป็นยังไงะนะถ้าเราทำสามเดือนได้แล้วต่อไปความดีของเราพอกพูนขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยนะท่า อันลับพอนะเตนี้นะ